2. อิุโยชนะสิกขาบท 95. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้กล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายกถวายหรือไม่ให้ทายกถวายแก่ภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรบท่านพระอุปนันท h สากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันท h สากยบุตรกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วไม่ให้ทายก ถวายแก่ภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับในอุโยชนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน